คทวศรดีค่ะท่านฝั่งที่ครบค่ารายการสันสนีสนทนานะคะเช้าตรู่เรามาให้ธรรมะกันไม่มีอะไรดีกว่าการที่จะส่งมอบคุณธรรมที่สูงสุดในโลกนี้ให้กับท่านอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคุณธรรมที่พระาศาสดาของเราองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝากเอาไว้ค่ะดิฉันสันสนีนาคพง์ผู้ดำเนินรายการนะคะและในรายการนี้เราก็มีพระมหาภพยบุญอธิปุณโญ ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรอีกเรนวัดปาดอนหสุดรทธานี o, ani, เป็นผู้ที่มาให้ธรรมะกับเราซึ่งช่วงนี้ท่านก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะคือเป็นช่วงลาแห่งคอร์สปฏิบัติธรรมค่ะก็ไปพบกับท่านกันเลยนะคะเพื่อที่จะกราบน้ำมการขอให้ท่านได้ช่วยนําพวกเราปฏิบัติธรรมในตอนต้นของรายการก่อนจะเข้าสู่การสนทนาต่อไปค่ะน้ันสการกับท่านคะเจริพรก่อนที่จะเริ่มกันฟังธรรมก็มาปฏิบัติธรรมกันสักนิดนึงน โดยให้ท่านทั้งหลายมาระลึกนึกถึงอยู่กับลมหายใจแต่ลมหายใจของเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นของแข็งจับต้องได้มีรูปร่างแน่นอนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตของเราก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นของแข็งจับต้องได้มีรูปร่างแน่นอนเหมือนกันมันมีลักษณะที่ย้วยย้ายไปได้ไปรู้สิ่งนั้นเคลื่อนไปสิ่งนี้ไปต่างๆได้เพราะฉะนั้นจะให้ของทั้งสองอย่างคือลมหายใจ กับจิตเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้ก็จะต้องมีจุดที่ให้มันอ้างอิงกันซะหน่อยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริมุขขังคือบริเวณเฉพาะหน้าคําว่าปริมุ ข, ขังคือบริเวณเฉพาะหน้านี้ก็เกิดจากการที่เวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเรารับรู้ถึงสัมผัสได้ที่ตําแหน่งไหนเราก็เอาจิตของเรามาตั้งไว้นะที่ตําแหน่งนั้นการกระทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้ที่ ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าสัมผัสที่เกิดขึ้นนี้แต่ถ้าจริงๆแล้วมันก็จะอยู่บริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นเวลาที่เราดมกลิ่นดอกไมก้กลิ่นอาหารรับรู้กลิ่นได้บริเวณไหนบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสได้เวลาที่จิตของเรามาอยู่กับลมตรงนี้เราไม่ต้องไปบังคับจิต ให้มันไปคิดหรือไม่คิดเรื่องใดๆไม่ต้องไปบังคับลมให้มันเร็วหรือให้มันช้าไม่ต้องไปบังคับความคิดถ้ามันจะมีมาก็ให้มันมีมาผ่านไปเพราะว่าถ้าเราไปบังคับลมหรือว่าบังคับจิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่บังคับขู่เข็นมันดีทำให้เราปวดหัวบ้างมีอาการเกรง็งตึงระหว่างคิ้วบ้างให้เราทาอย่างเป็นธรรมชาติึ่งการทาอย่างเป็นธรรมชาตินั้น ร่างกายของเรามันปรับเรื่องของลมหายใจอยู่ละจิตของเราแทนที่เราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แค่ให้เรามาระลึกรู้อยู่เฉยๆซึ่งการระลึกรู้อยู่เฉยๆนี้เป็นลักษณะที่มีการควบคุมซึ่งไม่เหมือนกับการ บ, างรบังคับเช่นมาถ้าเราบังคับจิตให้มันคิดหรือมันไม่คิดอันนี้เป็นลักษณะของการบังคับแต่การที่เราเอาใจมาจดจ่อเนี่ยมันเป็นการควบคุมแต่ซึ่งความ ควบกลุ่มที่เกิดขึ้นนี้เป็นลักษณะของการที่เราตั้งสติเอาไว้เวลาที่เราตั้งสติขึ้นเอาไว้อย่างนี้แน่นอนว่ามีขามันก็จะมีความรู้สึกบ้างมีหูมันก็ได้ยินเสียงบ้างมีตาต า, ตาเราเปิดอยู่เราก็เห็นรูปได้ซึ่งเวลาที่มีสิ่งต่างๆมากระทบเนี่ยแน่นอนว่าจิตเราก็เข้าไปรับรู้ได้เห็นรูปได้ได้ยินเสียงด้วยมีความคิดนึกบางอย่างตามไป ในขณะที่จิตของเรามีความรับรู้ไปในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราอย่าให้ลืมหลงลมหายใจเพราะว่าจิตของเรานั้นถ้ามันไปใส่ในเรื่องใดจิตมันก็จะน้อมไปอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าจิตไปใส่อยู่กับเรื่องที่เป็นภาษาในภายนอกอารมณ์ความรู้สึกความคิดใดๆที่มันมากับภาษาภายนอกนั้นมันก็จะเกิดขึ้นครอบงำจิตจิตมันก็จะไหลไปในทางนั้นแต่ถ้าเราลืมหลงลมไป สิ่งที่เป็นภาษาภายนอกนั้นก็จะมีกำลังเหนือจิตเราจึงจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจเพราะว่าถ้าจิตมาอยู่กับลมสิ่งที่มาพร้อมกับลมคือสตินั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นเวลาที่เราปฏิบัติการเจริญสตินี้ไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้าภาษาต่างๆภายนอกนั้นอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงสิ่งที่มาพร้อมกับลมคือสตินั้นก็จะมีกาลังมากขึ้น มีกำลังมากขึ้นเวลาที่เราทำไปอย่างนี้ให้ชนสติมีกำลังถึงที่ของมันแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะค่อยสงบลงได้เองเย็นได้เองเป็นสมาธิได้เองพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาน้ำที่มันไหลลงมาจากที่สูงแต่เพราว่าขอบกันต่างๆมันไม่ได้มีรูรั่วให้น้ำมันออกระชกเทไปทางอื่นได้น้าที่ไหลลงมาจากที่สูงนั้นก็จะแรงก็จะเร็ว จิตของเราที่มันไม่ได้ไหลไปทางอื่นๆเนื่องจากการที่เรารักษาสติตั้งสติไว้อย่างดีจิตที่มันรวมลงเล็กลงนั้นก็จะมีพลังมากขึ้นเป็นจิตที่เป็นสมาธิสามารถที่จะใช้คิดสาการงานสามารถที่จะใช้ตัดกิเลสสามารถที่จะใช้พิจารณาเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งการปฏิบัตินี้เราสามารถทําได้ตลอดทั้งวันในขณะที่ฟังตามไปด้วยก็ได้ในขณะที่ทํากิจการงานอย่างอื่นไปด้วยก็ได้สวัสดีครับ ทุกค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าจะถามเรื่องสอดคล้องกับการที่ท่านแนะนําปฏิบัติธรรมเลยนะคะเที่ยบานพออายุกันมากๆขึ้นเจอหน้ากันก็มีเรื่องคุยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยู่ไม่น้อยอืเพื่อนคนหนึ่งปฏิบัติธรรมแบบนั่งสมาธิหลับตาอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งปฏิบัติเหมือนกันแต่บอกหลับตาไม่ได้หลับตาแล้วตัวมันโอนเองอ๋อลืมตา <laughs> แล้วมีสติ แล้วก็ได้อ้างอิงว่าก็ศึกษามาจากสํานักสํานักหนึ่งนะคะทีนี้ก็เลยอยากกลับไปอ่นานถามท่านเพราะว่าดูเหมือนกับรายการของเราในฐานที่เข้าใจที่ท่านนําปฏิบัติอนาปานาสติตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยนะคะเดียบานส่วนใหญ่ก็จะหลับตาไปโดยอัตโนมัติเพราะเข้าใจว่าท่านให้หลับตาจริงๆลราลืมตาหลับตาแตกต่างกันอย่างไรเป็นสมาธิเหมือนกันหรือไม่เป็นการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันหรือไม่ะคะท่านคะ เรากลับมาดูที่พุทธโพสตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเรากลับมาดูที่อานาปนาสติหรือมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในพระสูตรไหนๆก็ตามเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นที่พระพุริชาบอกให้หลับตาเลยนะไม่มีเลยนะโอ้ค่ะเอออย่างเข้าสู่ใช้นาในะอันสงัดตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกไม่มีหลับตามไงนะเออก็ก็ไม่มีหลับตาเพราะฉะนั้นลักษณะตรงเนี้ยอาตมาก็เข้าใจว่า ก็ลืมตาก็ได้หรือหลับตาก็ได้คําถามที่ต้องถามไปทีนี้คือว่าเอาแล้วทําไมเราถึงนิยมหลับตากันนะทําไมถึงนิยมหลับตากันอันหนึ่งที่ตัวนิมาเองสามารถสังเกตได้เลยก็คือว่าคือถ้าเราลืมตาเนี่ยอยายตนะของเรามันจะเปิดอยู่อีกทางหนึ่งนะคือเปิดแล้วมันก็จะเห็นรูปได้นะถ้าเราปิดมันสัะทางหนึ่งโอกาสที่จิตมันจะไหลไปในทางตาเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงจะมี สามเณรในสมัยพุทธกาลที่ท่านเทศเอายเนี่ยท่านได้เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับตัวเงินตัวทองเดี๋ยวเขาหนีลงไปในจอมปลวกแห่งหนึ่งจอมปลวกเนี่ยมีรูอยู่6รูถ้าเราปิดมันสัก5รูยังไงตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาต้องโผล่กมารูนี้แน่นอนนั่นคือท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ก็เหมือนกับเวลาที่เราปิดซะตั้งต า, งางหนึ่งแต่จิตเนี่ย มันก็จะออกไปทางตาไม่ได้แต่มันก็จะออกได้แค่ทางหูเพราะว่าหูเรายังเปิดอยู่ใช่ไหมค่ะออกได้ทางกายสมมัติทางกายบางทีปวดบ้างอะไรบ้างจีตมันไหลไปทางนั้นบานที่เรานั่งสมาร์ที่หลับตาอยู่แหมใครทํากลิ่นอะไรหรือกลิ่นอาหารกลิ่นอะไรออกมามันก็ไหลออกไปทางจมูกได้อย่างเงี้ยค่ะดังะะนั้นปิดทางตามันก็ดีตรงหนึ่งเหมือนกันนะก็ดีจุดนี้นี่คือประเด็นที่1ทีนี้ในอีกส่วน1 ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับการเดินจงกรมอย่างเวลาจะมาเดินจงกรมเนี่ยก็หลับตาไม่ได้ก็ต้องลืมตาเดวเวลาที่เราลืมตามันก็จะต้องมีทั้งหูก็ได้ยินเสียงด้วยภาษาอะไรต่างๆมากมายอันนี้จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานแต่ที่ว่ามันแตกต่างกับเวลานั่งหลับตาตรงที่ว่าเวลาเดินเนี่ยมีภาษาที่มันมากกว่าเดีเวลามีภาษาที่มากกว่า บุคคลที่กระทำความเพียรด้วยการเดินเนี่ยก็จะต้องมีการอดทนมากกว่าการนั่งด้วยการใช้แรงบ้างต้องเดินดูบ้างต้องกลับตัวไปกลับตัวมาบ้างพอมีภัสสะมากกว่าเนี่ยถ้าเราอดทนต่อภัสสะนั้นได้นี่มีพุทธพจนิยมหนึ่งที่พระบรมเจ้าบอกว่าคนที่อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะเข้าสู่สมาธิได้จะเข้าสู่สม า, สมาธิไ ด, เได้เพราะฉะนั้น ถ้าบอกว่าเรามีภาษามากแล้วเราเข้าสมาธิได้เออสมาธินั้นมันก็จะตั้งอยู่ได้นานเหมือนกันนี่เป็นแง่มุมที่สองนะอือค่ะนะครับก็ถ้าคิดตรงตัวก็คือว่าการหลับตามันช่วยลดอ่าผัสสะได้ทางหนึ่งอ่าผัสสะนี่ยอาจจะทําให้ดิฉันใช้คำว่าอุปสรรคไว้ได้ไหมคะเอออุปสรรคจรงิงๆคือนิวรณ์ 5, าาทั้งห้าออุปสรรคคือนิวรณ์ห้าซึ่งนิวรณ์ห้าอาจจะมาจากทางหูอาจจะมาทางทางตา ได้ทั้งนั้นอ๋อคือทางเข้าของสัมผัสว่าอย่างนั้นเถอะทางเข้าปัสสะใช่ใช่หนึ่งทางก็ทำให้เหนื่อยน้อยล ง, ยงเพื่อนเถอะนะค ะ, ะที่ต้องไปดูแลมันก็ปิดไปทางหนึ่งอ๋อค่ะงั้นถ้าฟันธงก็ต้องตอบว่าไม่ผิดที่จะลืมตาปฏิบัติสมาธิและถูกด้วยซ้ำเพราะในพุทธพจน์ที่เป็นพระสูตรต่างๆนั้นโดยเฉพาะอนาปานสติก็ไม่เคยพูดถึงการต้องหลับตาไม่มีใช่ ค่ะแต่อันนี้เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนมาสังเกตกันเอาเองแล้วก็เลือกวิธีที่คิดว่าจะให้ผลได้เร็วมากกว่าอาก็คิดว่าอย่างงั้นเหมือนกันนะ <c oughs> ค่ะทีนี้คำถามต่อไปนะคะเรื่อเคยจำได้ว่ามีการพูดไม่ทราบว่ามาจากกระสตนหรือไม่มว่าหากปฏิบัติโดยลืมตาได้เนี่ยแปลว่าเราเก่งมาก ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้อยคำนิชันอาจจะไม่ใช่เป็นพุทธพจน์นะคะไม่ใช่อัถะไม่ใช่พยัญชนะ ม, นมันเป็นเรื่องของความชํานาญมากกว่าคุณโยมติว๋วยังยงเวลาเราเดินอย่างเงี้ยเราต้องลืมตาแน่นอนใช่ไหมแต่นี้ว่าพอเราเดินแล้วเราต้องลืมตาเนี่ยเวลาเราได้สมาธิเนี่ยมันจึงมันจึงตั้งอยู่ได้นานไงนเพราะว่ามันไม่ได้ทําได้ง่ายๆแต่คือมันทําได้ยากกว่าเวลานั่งใช่ไหมการเดินเนี่ยตอนนี้พอทําได้แล้ว มันจึงอยู่ได้นานมันจึงอยู่ได้ดีเพราะว่าคุณคุณฝืนมาคุณปฏิบัติได้ดีขึ้นมันก็เลยทําได้ก็เลยจึงอยู่ได้นานอ๋ออันนั้นคือพุทธพจน์ได้ตราสไว้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอวิทยาบทเดินใช่เรื่องเดินอืมแต่ถ้าหากนั่งลืมตานี่ไม่ได้ตราดเอาไว้ไม่ได้มีบอกไว้นะคะแสดงว่าเดินมันเคลื่อนไหวเยอะใช่ไหมคะทั้งมือไม้ทั้งขาไปหมดอืมตาก็ยังเปิดอยู่ด้วยหูก็ได้ยิน ก็จึงทําได้ยากทําให้ถ้าใครทําได้จะตั้งให้อยู่ได้นานเพราะการฝ<บ>ึกแบบนี้ยากอันนี้ถ้าถ้าสมมติเราพูดถึงว่าโดยอัฐนะโดยอั ฐ, อฐที่หมายถึงตาเนี่ยคือตาลูกกตาในตาของเราเนี่ยน ะ, ะที่จะเป็นลูกๆที่เราจับได้ตรงหน้าเนี่ยอันนี้ก็อันหนึ่งจะเปิดจะปิดนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นพูดถึงตาคือให้ดวงตาเห็นธรรมอย่างเงี้ยอันนี้ตาแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าก็เคยเปรียบเทียบกั บ, กบกเรื่องของอริยสัจสีบ้าง เืองของการเห็นวิปัสนาบ้างแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ว่าลูกตาเปิดหรือลูกตาปิดนะลูกตาจะเปิดหรือปิดแต่ตาที่ดวงตาคือธารมะอย่างไงก็ต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาค่ะคือในลักษณะนั้นจะมีอยู่สองตาตาที่แบบเห็นช่องทางที่จะทําเงินทําทองมีชื่อเสียงอันนี้เป็นทางอมิตรนี่คือตาดวงที่หนึ่งตาดวงที่สองก็คือเห็นเรื่องของอริยสัจสี่ค่ะก็จะมีสองตาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ ทำไมบางคนถึงนั่งสมาธิด้วยการหลับตาแล้วงงเงนงนะคะท่านคะอืมก็แสดงว่าเขามีความยั ง, ยงไม่ยังไม่ชํานาญคือพอเราหลับตาเนี่ยเราไอคิวในการที่จะใช้ทรงตัวมันลดลงไปอันหนึ่งนะคือในจางชีววิทยาเนี่ยในหูของเรามันจะมีระดับน้ำใช่ไหมที่จะใช้สําหรับในการทรงตัวแล้วก็ตาเนี่ยก็ช่วยด้วยนะนีก็มีนักกยกรรมเออเมืองจีนนี่แหละเขาลองทดลองดู ต่อคนขึ้นบไปกันสามสี่ชั้นสามสี่ 3, ชั้นยืนยืนต่อที่ไหล่กันยืนยิงกันขึ้นไปเนี่ยนะก็พยายามทรงตัวอยู่เปิดไฟไม่มีปัญหาแต่พอดับไฟท่านั้นนะ่ะล้มขึ้นเลยล้มกลื่นเล ย, ลลเลยแปลกค่ะ อ, อันั้นก็เพราะว่าตาเนี่ยช่วยในการทรงตัวอันนี้คือในทางชีวิทยานะในทางเกี่ยวกับร่างกายของเราระดับน้ําในหูนี่ก็ส่วนหนึ่งตาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมันมีฟีดแบ็กกลับมาไง ทำไม้เราจะถ่ายน้ําหนักไปได้อยู่อย่างถูกต้องถ้าเรามีตามองอยู่ทีนี้ถ้าเราหลับตาหรือว่าไฟมืดดับไปเนี่ยบางคนก็เอนแอนไปข้างหน้ามันก็แอนมาข้างหลงังหรือแอนไปข้างข้า ง, างบางทีไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะว่าคิวในการที่จะช่วยให้เขาทรงตัวอยู่เนี่ยมันไม่มีหายไปอันหนึ่งค่ะอันนี้คือทางด้านชีวฟิสิกเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปฝึกเอาหรือไม่ก็คอยสังเกตดูให้ดีอ๋อแบบนี้มันเอนไปแล้วก็แทนที่จะดูจากคิวคือตา ก็ดูจากคิวคือความรู้สึกภายในกายของเราแทนก็ได้ค่ะจากบทเพียรชนะที่นั่งอานาปนสติให้นั่งกายตรงตัวตรงดำรงสติเฉพาะหน้าดิฉันก็เห็นเวลามีผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีหลายท่านเลยนะคะอยู่ใกล้ผนังนี่จะชอบเลย <c oughs> <c oughs> ตัวตรงขอตรงที่ผ น, งนังมันก็เหมือนอผนังอย่างนี้ผิดไหคะเอาผนังเป็นที่พึ่งบางคนก็เอาเสาเป็นที่พึ่งใช่ค่ะอออืถ้าเราจะดูตรงจุดที่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนี้ก่อ น, ค, นคือท่านเริ่มมาตั้งแต่ที่เข้าไปสู่เรือนว่างก่อนแต่ ค, คือเสพไสนาสนะอันสังเกคือเรือนว่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเข้าไปสู่เรือนว่างเนี่ยถ้ามันว่างจริงๆเลยเนี่ยมันจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะคุณโยมติวนะมันจะแบบว่างๆโต๊ะก็ไม่มีเก้าอี้ก็ไม่มี อ๋แล้วคุณจะตั้งกายตรงเนี่ยมันก็ต้องคู่ขาเข้ามาก่อนเพื่อให้มีความมั่นคงใช่ไหมถ้ามันไม่มีอะไรเลยผนังก็ไม่มีถ้าเรือนบ้างจริงๆเนี่ยมีแต่หลังคาอย่างเงี้ยเราก็จะไปพิงอะไรล่ะก็ต้องตั้งตัวตรงเนตัวนี้คือแบบสุดๆเลยไม่มีอะไรเลยนะที <Okay. S 1> นี้ถ้าจะมีเฟอร์นิเจอร์เช่นมีต่างบ้างมีเก้าอี้บ้างจะพิงเนี่ยก็พิงได้เหมือนกันเนะีเพื่อให้กายมันตั้งตรงเพื่อที่จะดํารงสติได้ที <Okay. S 1> นี้ไอ้คำที่ว่า ตั้งกายตรงเนี่ยคำนี้เนี่ยถ้าเราดูโดยอัธร์นะคุณโยมติวนะมันจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าว่ากายของเราแตคือนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงเนี่ยคือให้จิตของเราเนี่ยมันตรงแต่ตรงต่ออะไรตรงต่อสติแตคือสติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทําให้ตรงระหว่างกายวาจาใจคือจิตของเราเนี่ยถ้ามีสติตั้งเอาไว้แต่เวลาความคิดที่คิดต่ อ, อไปมันก็จะคิดเรื่องที่ดี ในเวลาพูดออกไปก็จะพูดเ ร, ไไดเรื่องดีเวลาที่จะทําอะไรออกไปก็จะเป็นการกระทํำทางกายที่ดีในจิตเริ่มก่อนนะจิตอยู่ข้างล่างสุดเลยนะความคิดคการพูดการกระทํานี่เป็นสามอย่างที่ตัดมาจากจิตเป็นตัวสั่งในจิตเป็นตัวสั่งให้มีความคิ ด, ยดอย่างใดอย่างหนึ่งจิตเป็นตัวสั่งให้มีการพู ด, ยดอย่างใดอย่างหนึ่งจิตเป็นตัวสั่งให้มีการกระทําทางกา ย, ยาอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าบอกว่ามันไม่ตรงกันแต่มันไม่ตรงกันมันไม่สอดคล้องกันทําไมอะ่ะเช่นบางที การกระทําของเรามันดีอยู่ในรักษาศีลได้ดีอยู่แต่การพูดมันเปยออกไปหรือการคิดมันเปยออกไปเออเราจะทํายังไงให้มันตรงกันอันนี้คือให้มันตรงให้มันตรงกันการที่จะปรับให้มันตรงกันไปในทางเดียวกันได้อยู่ในกรอบอยู่ในร่องในรอยของมาร์คําว่าตรงตรงเนี้ยนี่คือตรงนี้โดยอัฐนะโดยอัะที่มีความหมายมากกว่าว่ากายตรงแต่เป็นคําว่าตั้งกายตรงนี่ก็คือให้จิตใจ ทั้งการพูดการกระทําความคิดตรงกับจิตนที่จิตให้มีส ต, ติตั้งเอาไว้อันนี้ความหมายที่เบื้องลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะค่ะประเด็นตอบคาถามคุณโยมติ๋เมื่อสีก็รู่ที่ว่าเาแล้วเราจะพิงได้ไหมคําตอบคือพิงได้พิงได้ไม่มีปัญหาประเด็นก็คือว่าถ้าพิงแล้วมันจะง่วงตัวเรามาเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์นี้นคือเรานั่งอยู่เฉยเออพอเมื่อยหลังเราไปพิงพอพิงเท่านั้นแหละมันง่วงดันดีเลย เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามฝืนว่าอางั้นไม่พิงก็แล้วกันเหนื่อยเมื่อยก็อดทนเอาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ง่วงได้อในเมื่อเราก็ฟังโมโอสมควรทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ในอิริยาบถใดสําหรับการที่จะเจริญสติดังนั้นจะสรุปว่าอย่างใดดีเขาเอสําหรับคนที่ยังไม่รู้เลยว่าจะทําแบบไหนอ่าแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําว่าดีที่สุด ไปนั่งหลับตาก่อนก็นละกันหรือว่าให้ลืมตาท่านถ้าเป็นท่านท่านจะแนะนําอย่างไรดีคะคนที่เขายังไม่รู้อะไรเลยอยากจะให้พระอาจารย์เป็นคนบอกเนี่ยว่าควรจะทําเช่นไรลืมตาห ร, หรือหลับตาก่อนดีในการฝึกเจริญสติคะ่อะอาจารยก็จะแนะนําว่าใ ห, ให้ให้หลับตาก่อนดีกว่า <c oughs> เพราะว่าอายตนะของเรามันจะปิดไปอันหนึ่งที่เราจะต้องไปเห็นสิ่งภายนอกก็คือเหมือนประตูเรามีอยู่หกประตูแต่ถ้า เราต้องมาเทคแคร์คอยดูแลทั้ง6ประตูเนี่ยก็มากไปงั้นเอาแฮกหประตูปะบ่ห้ประตูปะเ <Yeah. S 1> หลือแค่ดูแลแค่ห้าประตูก็ลดลงไปประตูหนึ่งก็คือประตูทางตาใช่ไหมเพราะนั้นเราก็หลับตาแล้วเราก็มาสังเกตดูลงหายใจโดยให้มารับรู้ถึงสัมผัสที่ผ่านเข้าผ่านออกตรงนี้เอาง่ายๆแค่นี้เริ่มต้นตรงนี้แต่ยังไม่ได้ก็หายใจแรงๆสักสอครั้งแต่ถ้ายังไม่ไ ด, กไได้ก็ลองมาดูที่จุดที่เรา ดมกลิ่นดูนกลิ่นเวลาที่เรารับรู้กลิ่นของหอมของเหม็นพวกนี้เราก็เอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นที น, นี้พอมันตั้งขึ้นแล้วอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเช่นเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างข้างอันนี้เราค่อยมาปรับแก้ไปทีละ ก, กรณีกรณีแต่ถ้า N เอ็นปลายเอเราก็ดูร่างกายของเราใหม่ปรับใหม่หรือบางทีง่วงวก็วิธีแก้อีกแบบหนึ่งบางทีมีความคิดฟุง้งซ่านก็แก่อีกแบบหนึ่งไปและเป็นกรณีกร ณ, กรณีไป ก็หมายถึงว่าถ้าหลับตาแล้วปฏิบัติไปยังโอนเอ็นอันนี้ก็ยังสามารถที่จะฝึกแบบหลับตาต่อไปแล้วก็ใช้สติมากๆการโอนเอ็นนั้นอาจจะดีขึ้นใช่ใช่ น, น, นะคะ ม, มีฉันเองจนะเล่าประสบการณ์ตัวเองนะคะว่านั่งสมาธิเนี่ยมีมีอาการอย่างหนึง่งซึ่งเราก็ว่าเราสงบนะแต่มาถึงจุดจุดหนึ่งต้องกลืนน้ำลายค่นนะท่านคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนกลืนน้ำลายเนี่ย ดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นเป็นการทําให้สมาธิเนี่ยมัน ม, มีมีจุดสะดุดใช่ใช่แต่เป็นอยู่บ่อยมากนะคะท่านคือมันเป็นลนักษณะของกายที่มันยังไม่ระงับไงกายที่ยังไม่ระงับคือกายนี่ยังมีกิจกรรมมีอ activity อยู่ น, น, นี่คือคือกายยังไม่ระงับคือถ้าเราทําสมาธิที่ลึกไปจริงๆเนี่ยกายมันระงับลงระงับลงเนี่ยมันมันจะไม่มีอาการพวกนี้ใช่ค่ะทีนี้ทีนี้อย่างกรณีของกุญแจมิวเนี่ยบางทีก็ต้อง ดูเรื่องของทางชีววิทยาก่อนนะ <Okay. S 1> ว่าเอ๊ะร่างกายเรามันขาดน้ำหรือเปล่านะหรือว่าเรามี อ, อ, อาการทางโรคอย่างใดอย่างหนึ่งไหมถ้าผบว่าคือบางทีมีเชื้อบางอย่างมันก็ทําให้หิวน้ําได้มีอาการกระหายน้ําวันนี้ก็ต้องไปกินยาต้มยาขมอะไรบางอย่างที่แก้กระหายน้ําตรงนั้นนะค่ะท <Okay. S 1> ีนี้ถ้าผ่านไปละแก้ไปเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาตรงนั้นก็ต้องมาดูที่ว่าไอการที่เรามากลืนน้าลายอยู่ บ, บ่อยเนี่ย มันทำเป็นนิสัยแล้วหรือไม่หรือยังถ้ามันทําเป็นนิสัยเราก็ต้องฝืนนะชื่งการฝืนในสองสามครั้งแรกมันจะต้องใช้กําลังจิตที่มากพอสมควรในะการฝืนนี่คือเราไม่ทํามันนะไม่ทํามันทีนี้เราจะไม่ทําฝืนได้ต้องใช้พลังจิตก็ต้องตั้งสติขึ้นมากๆากนะเราไม่ทําเราฝืนเราไม่ทําพอฝืนไม่ทําไปสัก3ามสครั้งมันก็จะค่อยง่ายขึ้นง่ายขึ้นค่ะดิฉันก็กราบเรียนผลเลยนะคะว่า หลังจากที่เจอปัญหาที่เป็นเหตุทําให้รู้สึกสะดุดในสมาธิเนี่ยเราก็มาทบทวนเหมือนกันอืว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรทบทวนไปทบทวนมาแล้วก็พยายามปฏิบตัติไปเรื่อยๆก็หายไปได้นะคะเพราะนานๆก็กลับมาอย่างเนี้ยค่ะอืมแต่ว่ารู้ว่าอ๋อเมื่อเมื่อเราพยายามที่จะแก้ปัญหามาถึงวันหนึ่ง ก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้เช่นเดียวอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้มันคือเรื่องของความไม่ชํานาญเรื่องของความไม่ชํานาญที่ว่าบางทีเราฝึกทําได้เอ๊ะแต่มันไม่ได้ไม่ตลอดได้เป็นบางครั้งบางคราวถ้าเราฝึกทําได้บางครั้งได้บางทีเหินห่างไปหน่อยมันกลับไม่ได้อีกอันนี้คือเรื่องของความไม่ชํานาญแน่นอนค่ะแล้วนี่ก็ฝึกให้มีความชํานาญขึ้นก็จะดีขึ้นก็ต้องฝึกบ่อยฝึกสม่ำเสมอเพรางั้นถช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านคะเป็นเรื่องทางโลกเลย ฉันดูโฆษณาของญี่ปุ่นนะคะเป็นแคมเปญ <c oughs> เขาทําเหมือนกับเป็นภาพยนตร์สั้นๆหนึ่งเรื่องน่าดูมากน่าจะลงทุนมากขึ้นด้วยเพราะว่าจะมีการแต่งเนื้อแต่งตัวสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับในยุคอดีต <c oughs> แต่งตัวเป็นคนญี่ปุ่นในอดีตนะคะออืน่าจะเป็นพวกขุนนางแล้วก็มีบริวารทั้งหลายเนี่ย <c oughs> อืขบวนเลยมีเกี้ยวที่มีคนนั่งอยู่ข้างในนั้นมาด้วยออื คนแม้กระทั่งคนนั่งในเกี้ยวเนี่ยจะถือสมาร์ทโฟนกันมาคนละอัน mm hmm. ก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนอย่างเดียวกับ mm hmm. คนสมัยเนี้ยนะคะต้องดูสมาร์ทโฟนอย่างเดียวไม่ว่าจะไปไหนแล้วก็จะให้เห็นภาพว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีอุบัติเหตุหลากหลายเกิดขึ้นและเขาก็จะมีการขึ้นแคปชั่นว่าอุบัติเหตุประเภทเนี่ยเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประเภทเนี่ยเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็มาถึงตอนที่ว่าขบวนเนี่ย ขบวนหัวพลัดหลงกับขบวนหาง <ừ> um. เพราะว่าในเมื่อหางก้มหน้าดูแต่โทรศัพท์ก็เลี้ยวไปทางอื่นก็เลยเหลือคนในเกี้ยว <ừ> um. อยู่เดียวแล้วก็ค <ừ> um. ่าสึกก็โจมตีไอ้คนที่ร่วมขบวนมาจนอ่าล้มลงไปหลายคนเขากําลังจะบอกว่าการก้มหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะคะให้ฝึกเลิกก้มหน้าซะเถิดที่ฉันพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทําไมท่านอาจจะแปลกใจกำลังจะถามเลยว่า เชื่อว่ามีหลายคนนะคะพยายามแม้แต่ตัวเองนี่ก็สารภาพนะคะเขากดขันกันใช่ไหมคะ mm hmm. เวลาใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยบางครั้งเรามีธุระหรือว่าบางทีมันติดนิสัยคุยนะคะท่านคะอก็ mm hmm. ติดนานๆก็เปิดมาดูสัทีอ่ะเราก็มีความรู้สึกอ่ะเรากำลังประมาทอยู่นะพยายามที่จะไปทําดูเหมือนกับว่ามันห้ามยากนะคะ mm hmm. นิสัยแบบนี้อ mm hmm. มันเก็กบเรื่อสติเรื่องอะไรยังไงไหมคะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเคยชินมากกว่านะ คือคนเราเนี่ยมันชอบอะไรเนี่ยมันก็จะไปหาสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตพวกนี้เป็นเรื่องที่พอไปดูๆแล้วมันก็เออมีเรื่องราวตรงนั้นใน Facebook บ้างในไลน์บ้างข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทําให้เราเพลินไปพอทำให้เราเพลินไปปุ๊บเราก็จะชอบไงจีของที่มันเพลิดเพลินไปมันก็สบายใจใช่มพอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะไปหาความสุขนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆพอทําไปสัก3ามสครั้ง สิบยครั้งมันเป็นความเคยชินทีนี้พอ<ช>ความเคยชินเนี่ยมันต้องคว้าขึ้มาดูอยู่เรื่อยๆแต่บางทีก็ไม่มีอะไรล่ะคว้ามาดูไม่มีอะไรก็ขอกดดูสัก น, นิดนึงเพราอะไรมันเป็นความเคยชินไปแล้วพอไอสิ่งที่เคยชินได้ทําปุ๊บเนี่ยมันก็จะสบายใจนิดหนึง่งสบายใจไม่ใช่ว่าจากการที่ได้ดูข่าวดูอะไรนั้นก็ข่าวเดิมๆมาล่ะแต่ว่าสบายใจที่ได้ทําเพราะอะไรเพราะมันเคยชินไปแล้วตัวนี้เป็นลักษณะของการฝึกนิสยัยฝึกนิสัยเช่นว่าไม่ว่าเราจะฝึกนิสัยแบบใดแบบหนึ่งอะ ถ้าเราทําไปทําไปทําไปจนก็ตั่งบ่อยๆเนี่ยเป็นความเคยชินขึ้นมามันก็จะเคยชินไปแบบนั้นเอาแค่ว่าได้ทําก็ดีแล้วลได้ดูโทรศัพท์ถึงแม้จะไม่มีอะไรก็ดีแล้วเดี๋ยวคิดได้แป๊บหนึ่งก็ระลึกถึงโทรศัพท์อีกนนี้คือการระลึกได้นะเป็นสติเลยนะคุณเอามีโทรศัพท์เป็นที่พึ่งอะ <c oughs> คือคือไม่ใช่มีเพราะเพือ่อไปทําประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วแต่มีโทรศัพท์เป็นที่พึ่งแหมลองลอ ง, ลองคิดกลับกันดูนะคุณโยมเดี๋ยวนะลองคิดกลับกันดูถ้าสมมติว่าแทนที่เราจะคิดถึงโททรศัพ์เี้ เรามาคิดถึงลหมหายใจได้ทีเท่ากับที่เราคิดถึงโทรศัพท์ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่คือป๊บปบเอ้ยโทรศัพท์เป็นยังไงใดูดูก่อนไอ้ a c e b o o k มีใครส่งมาไหมไปเปิดดูอยู่เรื่อยเนี่ยไม่พอสองสามนาทีดูอีกแล้วอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนเป็นดูลหมหายใจสองสามนาทีดูลหมหายใจก็ละลมหายใจฉันเป็นยังไงยังมีอยู่ไหมมันเข้าหรือมันออกกิดอย่างนี้นะอันนี้มันจะดีกว่ากันมากเลยนะคาถามที่นี้คือว่าเอาแล้วถ้าฉันทำอันนี้จนเป็นนิสัยแล้วอ่ะจนกระทั่ง เขาคิดว่าเป็นปัญหาสังคมกันแล้วนะเขาถึงทําวิดีโอออกมารณรงค์ว่าไอ้คุณอย่าติดนิสัยแบบนี้ดูแต่โทรศัพท์อยู่ได้มีอันตรายมีปัญหานี่มันปัญหาระดับโลกลนะคุณโยมติ๋วเดี๋ยวฉันเชื่อว่าอันนี้เป็นปัญหาท่านเชื่อไหมคะว่าบางทีเราก็รู้สึกแหมนี่นะเดินทางมาถึงต่างประเทศอืนั่งก้มดูกันแต่โทรศัพท์กันทั้งนั้น น, นนะ่อเละที่ดีฉันมีประสบการณ์สดๆร้อนๆและมีเพื่อนมาจากต่างประเทศ แล้วเขาก็อยากจะให้เราพาไปนอตเบนนี่ใช่ไหมคะพาไปอยากไปทะเลเนี่ยพาไปทะเลนั่งก้มดูแต่โทรศัพท์ดิฉันก็โอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอษฐ์พามาใช้เวลาตั้งเยอะแยะเนี่ยมันมันเป็นความเคยชินไปแล้วทีนี้เมื่อกี้เนี่ยดิฉันกําลังคิดว่าท่านกําลังจะอ่านใจดิฉันออกก็จะถามอะไรต่อไม่ทราบดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าท่านกําลังจะบอกว่าแล้ววิธีแก้ถ้าแก้ทางธรรมะเนี่ยจะแก้ได้อย่างไรอื วิธีแก้ก็คือว่าเราต้องฝึกความเคยชินใหม่ <Okay. S 1> เพราะว่าความเคยชินอันนี้มันมันสร้างได้มันก็แก้ได้มันก็เลิกได้มันก็ไม่เที่ยงในวิธีการเลิกก่อนนะคือเลิกแล้วเราต้องหานิสัยใหม่ใส่เข้าไปแทนนะเพราะไม่งั้นนิสัยนี้มันก็จะกลับมาอีกนะคือนิสัยที่แบบดูแต่โทรศัพท์เช็คแต่โทรศัพท์นี่ถือว่าเป็นนิสัยแล้วนะท <Okay. S 1> ีนี้เราจะเลิกนิสัยนี้ก็ใช้วิธีการหนึ่งแล้วเราจะสร้างนิสัยใหม่ที่เอามาแทนนิสัยนี้นี่เป็นขั้นตอนที่สอง แตในขั้นตอนที่เลิกจะเราจะเลิกสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องฝืนเท่านั้นต้องฝืนเท่านั้นแต่มันหนึงจะเลิกได้แตนะ่จะฝืนจะทํายังไงถึงจะฝืนได้ตรงนี้ต้องใช้กําลังจิตมากต้องใช้พลังสติสูงแตนะ่เช่นว่ามันเป็นอัตโนมัตินะ่ะคุณโยมติวเ น, นี่ยเหาอไหมโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยปุ๊บปับ๊บแต่เราหยิบขึ้นมาดูอัตโนมัติทันทีบางทีเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเอ้ฉันจะต้องหยิบขึ้นมาดูแต่ว่ามันหยิบขึ้นมาดูโดยอัตโนมัติทันทะีแตหรือทททําางอยู่บโตศัพ์ เดี๋ยวเลียวไปดูอยู่เรื่อยกดมันกิ๊กนึงมันมีอะไรไหมเนี่มันเป็นอัตโนมัติทีนี้เราต้องจับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเอะเราเกิดขึ้นตอนไหนต้องจับให้ได้ก่อนจับให้ได้ปุ๊บมันจะมีคิวคำว่าคิวเนี่ยหมายถึงตัวที่มันมากระตุ้นเราเนีเช่นบางทีเรามีความรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะต้องดูโทรศัพท์ก่อนเริ่มที่โทรศัพท์ก่อนไอ้คิวแบบเนี้ยมันจะทําให้มันเป็นสร้างนิสัยตรงนี้ขึ้นมาเมันเป็นตัวทริกเกอร์เขาเรียกว่าทริก คือตัวแบบกระตุ้นให้เราไปทํานิสัยแพทเทิร์นแบบเดิมๆอย่างนี้เราต้องหาคิวตรงนี้ให้ได้เสก่อนพอเราหาคิวแล้วต้องหยุดมันตรงนี้คือสติต้องมาตั้งไว้เลยนะว่าฉันจะไม่ทำไหนคิดว่าจะเปิด Facebook จะเปิดดูไลน์จะกดดูโทรศัพท์หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดปุ๊บตรงนี้ให้ได้ไหนหยุดแล้วหาอะไรมาแทนหาอะไรมาทําแทนตัวนี้คือขั้นตอนที่2ที่บอกว่าเราจะต้องหาสิ่งที่มาทดแทน การกระทำที่ว่าไปดูโทรศัพท์หรือไปทําสิ่งอื่นๆซึ่งสิ่งที่จะมาทดแทนในการที่จะมาดูโทรศัพท์ได้เนี่ยเช่นมาเรามาดูลมหายใจได้หรือฝึกในการที่จะมาทํางานที่อยู่เฉพาะหน้าในการให้มีโฟกัสอยู่กับงานที่เราทํำคือแทนนิสัยที่ต้องไปเช็คดูโทรศัพท์ด้วยการที่มาดูลมหายใจหรือด้วยการที่เราให้มีสมาธิต่อเนื่องไปแต่ตรงนี้ต้องใช้กําลังจิตสูงพอสมควรนะ ทำไปบ่อยๆอย่างเงี้ยทำไปบ่อยๆอย่างเงี้ยฝืนมันฝืนมันอันนี้ใส่นี้มันจะเลิกได้มันจะหยุดได้ค่ ะ, คะก็จริงๆเนี่ยฉันมีแง่มุมที่จะกราบเรียนท่านอีกนะคะในเรื่องนี้ถือเช่นอมองในทางธรรมะเนี่ยการเป็นคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้เนี่ยมันเสียหายอย่างไรแต่เวลาไม่พอซะแล้วนะคะก็เอาไว้ไปติดตาม กันวันอื่นและกันดิฉันสนใจจริงๆนะคะเพราะคิดว่าเป็นปัญหาระดับโลกอย่างที่ท่านพูดจริงๆค่ะ น, นะคะวันนี้ก็กราบนวันส ก, การขอบพระคุณท่านพิบู์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนวัส ก, การค่ะเยี่ยมมากทานฝั่งที่ครบค่ะแล้วนั่นก็คือพระมาหาไพบูร์อภิปุนโนวัดป่าดอนไฮโซดรนธานีท่านเพื่อมาโดยการหลักสูตรลีกเรนที่นั่นซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ารบกวนท่านมากเลยเพราะเราก็บันทึกเสียงตอนดึกในวันที่ท่านต้องตื่นแต่เช้าตรูนะคะตีสีเพื่อที่จะ มาดูแลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เข้าคอร์สกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนค่ะในรายการสัมสนีสนทนานี้ไม่ว่าจะติดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะท่านก็จะมาประจำอยู่ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106รนี่นละค่ะติดตามรับฟังรายการกันนะคะขอให้ง่ายมุมธรรมะที่ท่านได้รับกันในวันนี้นาไปสู่การที่จะทาให้มีกาลังใจในการปฏิบัติมากขึ้นหรือว่า มาทบทวนตัวเองดูในเรื่องการใช้โทรศัพท์นะคะว่าเรื่อเราไปติดโทรศัพท์ซะแล้วไปยึดเป็นที่พึ่งซะแล้วเราจะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็มีวิธีที่จะให้แก้ไขให้แล้วด้วยติดตามรับฟังกันใหม่นะคะสําหรับรายการของเราวันนี้ลาไ ป, ไปแต่เพียงเท่านี้ผู้ทั่วสากค่ะ